ครๆวงดนตรีลูกทุ่งเนาะไ <c oughs> นไหนเจอหน้าเก่าๆ เ, เป็นมากความจริงพวกเราไม่ต้องมาฟังหลวงพ่อก็ได้นะ <c oughs> พูดแต่ละวันเหมือนๆกันพราะธรรมะจริงๆก็ของเก่าบ <c oughs> างคนก็สงสัย <c oughs> เคยมีคนบนกับหลวงพ่อนะว่าฟังหลวงพ่อเมื่อห้าปีก่อน ถ้ามาฟังปีนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมอีกนะจริงๆธรรมะ ม, มันธรรมะของเก่าเนี่ยหลวงปู่เทศท่านว่าอย่างนั้นนะถ้ากิเลสมันก็ของเก่าธรรมะก็ของเก่านั่นแหละอของมีมาแต่ดั้งเดิมธรรมะไม่ใช่ของใหม่ๆอะไรนะกิเลสก็ของเก่านะราคาตัสาโมหะครอบงำตัดโลกอยู่ค ร, ครอบงำอยู่อย่างนี้แหละเวลากิเลสจะหลอกเราก็าหลอกซ้ำๆซ้ำ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 ถ้าไม่ได้ฟังธําของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่มีอย่างจริงๆมันมีแต่โลกียะกุศล์คุสนธรรมดาธรรมดาตพาเราเวียนตายเวียนเกิดไปในภพภูมิที่ดีมีความสุขส่วนคุสลที่จะประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเนี่ยต้องมีพระพุทธเจ้าตรสัสรู้ขึ้นมาถึงจะมีการอบรมสัง่งสอนกันสําหรับอาคุสน์นั้นก็มีกลองโลกอยู่แล้วนะรอหัวใจสัตว์ทั้งหลาย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 ตรงเนื้อดีเหนือชั่วเนี่ยไม่ใช่ทําให้เราเป็นชั่วได้นะดียังไม่เอาเลยอย่าบ้าแต่จะเอาชั่วเลยนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยเราฝึกไปเป็นลำดับลาดับเบื้องต้ น, นรักษกสีไว้ก่อนมีสีห้าอย่างต่ำไม่ทาชั่วต่อมาเราก็มาหาัดทำความดีทำทานซื้อสีนอัดทำความสงบจิตใจจิตใจของคนเราเมีแต่ความเร่าร้อนกร้ต้านกุต้านเสเล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 เปความสุขอย่างโลกโลกความสุขอย่างนี so so ้เอาแน่นอนไม่ได้เป็นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นอาศัยคนอื่นความสุขของเราไปฝากไปกับคนอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าเราตัดท่าจากคนนี้เราไม่มีความสุขที่เราไม่ได้พึ่งตัวเองต้องรอเขาต้องชัต้องอาศัยสิ่งภายนอกมากความสุขก็แบบพึ่งพาสิ่งภายนอกเอาแน่อานอนไม่ได้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 ะึกสงบมากๆก็ไปเป็ น, ปนะนกนระลมนะเป็นจุดหนึ่งก็ตายลงมาเกิดอีกระลมเกิดมากก็ตายแล้วไปอบายอีกอะไรๆก็ไปอาบา ย, าปยเป็ส่ว น, นมากเพราะว่าทีเดทมันเยอะอีกพวกหนึ่งเห็นว่าลําทางการฝึกจิตฝึกใจให้ดีให้สุขให้สนะงบเนี่ยยังไม่แน่นอนพอมีสิ่งมากระทบมันก็กระตือนขึ้นมา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 เรารู้สึกที่ใจเราว่าใจเราไม่เป็นอิสระจริงถูกบางสิ่งบางอย่างห่อพุ่มมาไว้ในขณะที่มันเกิดขึ้นคั้งหนึ่งสิ่งห่อพุ้มนี้ก็แหวกออกทีเนี่ยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเสกเที่ยงบอกว่าเหมือนเราขว้างก้อนหินลงในบ่อที่มีแหน่ว้างไปเรื่อยๆคือเจริญสติไปเรื่อยๆพอจี๋จี๋จีก็แหนนี้แหวกออกแหวกออกไปแล้วเดี๋ยวก็มาปิดอีก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 ห น, นึ่งคนด่าโกรธปั๊บเนี่ยสติเห็นนะความโกรธมันผุดขึ้นมาความโกรธชอบงาใจไม่ได้นะก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครศีลมันเกิดเองเห็นสาวสวยความโลภมันเกิดรคาคฆามันเกิดรู้ทั น, นสติรู้ทันนะรักฆ่ า, าบงําใจไม่ได้ก็ไม่ทําผิดศีลข้อ 3. สามนีนศีลมันเกิดจากการมีสติเห็อย่างนี้เรียกว่าอินสียสังวรศี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 ที่ฉลาแล้วแว บ, บรู้สึกแว บ, บรู้สึกเพราะสติเร็ว น, นั่นเองเพราะสติว่องไวแม้สมาธิก็มาจากเพราะมีสติว่องไวใจเผลอไปโหลงไปตามกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแปหรือโหลงไปในโลกของความคิดจะรู้เร็วพรรู้เร็วคืกิเลสเบาบางเพราะว่ากิเลสไม่ทัน ง, งอกงามเป็นกิเลสตัวใหญ่ท่านถึงบอกว่าพระเศกษฐีาคากิเลสเบาหวาน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 ไม่ไปไหนแล้วเอาเป้ามาตรงนี้แหละไม่ไปหาเหมืองละผู้ปฏิบัติจําเนวนมากก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้พอตายไปก็ไปอยู่สุสุมารโลกเป็นทัพลมแต่ตลมพวกนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลับมาหยิบเชอดอีกแล้วเป็นนิพพานในพรหมโลกนี้ถ้าเราปฏิบัติต่อไปเนี่ยสติปัญญามันจะบีบวงแคบเข้ามาเพราะแล้วจิตใจมันเด่นดวงขึ้นมาแล้ว มันไม่ได้ออกไปแส้ทายหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกนนมันอยู่กับจิตกับใจล้วนๆหนึ่งแต่จิตใจมันบีบวงเข้ามาอยู่ที่จิตที่ใจถ้าสติปัญญาเพียงพอส่วนมากสติปัญญาไม่เพียงพอหรต้องได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าช่างสังเกตหรือมีครูบาอาจารย์บอกให้ถ้าช่างสังเกตก็จะสังเกตได้เหมือนกันอย่างครูบาอาจารย์หลวงภู่มั่นเนี่ยท่านสังเกตเอา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 ไอ้ที่วัดสันติธรรมี่ไปหาอาจารย์ทองยินมาเจอพระองค์นหนึ่งบันดักอยู่ข้างหน้าหน้าวัดสันติธรรมบอกว่าวันนี้อาจารย์บุญจันทร์ท่านมาให้ไปหาหน่อยไม่ไปไม่รู้จักไม่รู้จักนะอ่ะก็ไปคุยกันทัางอาจารย์ทองยินอยู่จนดึกเลยนะออกมาจากบุตรีอาจารย์ทองยินนะอาการหนาวจากไนเท้านั้ น, น, นยังลอยออกไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่น อ, นอยอ่อนร้อนห่อยนึง น, นะ โอเราก็ไม่อยากไปเราไม่รู้จักท่นเราดึกมากนะเอาไปก็ไปเดินตามท่านไปแต่บนแจนท่านไม่สบายมาพักอยู่วัดสันติธรรมเป็นท่ า, ท า, าพันทุกข์มาักเดิไปถึงหลังวัดขึ้นบันไดไป น, นะท่านนั่งนอนอยู่บนตังอยู่ที่ระเบียงไม่อยู่ในห้องเลยกลุ่มโปตัวสันส่นสันส่นสั่นหนาวไม่สบายก็ขึ้นไปกราบท่านนะท่านกโกรมาจากท่าผมนะลุกขึ้นนั่งตักข้อของเลยได้ภาวนา ย, ยังไง เนี่ยผมดูไปนะครับแล้วก็ทําให้มันว่างๆโดนท่านตว่าแอ้วนะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะปฏิบัติยังไงเราก็นึกว่าท่านฝังเราไม่รู้เรื่องเอท่านของฟังภาษาสำเนียงเราไม่ออกมั้งบรรยายเหมือนเดิมอยู่นะโ่นท่านตวดเอาอ่าเลยเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนถ้ายังมีสภาวะแห่งความเป็นคู่นะไม่ใช่ของจริงนะ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 เห็นพวกเราลื่นหลังๆชอบทำความว่างกันอย่าเอาแต่ความว่างนะกําหนดจิตให้ว่างมีแต่ความสุขความสบายมันตลบอยู่ตรงนั้ น, น่ะเอาเป็นที่พึ่งอย่อยังมีเข้ามีออกมีของปลองฉะนั้นใช้ชีวิตปกตินี่แหละตือสิม้าไปก่อ น, นดํารงชีวิตธรรมดาของเรามีหน้าที่ทํำมาหากินอะไรก็ทํามาหากินไปมีหน้าที่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงไปนะ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 หลาความรู้สึกฝึกอย่างนั้นน่าสงสารเหนื่อยบางคนเพ่งมากมากมา ก, มากเพ่งไปจนที่คนที่การนะ mm hmm. ต้องหอบคิ้วกันมาจะให้เราแก้ให้นะมันก็แก้ยากนะเพราะนั้นอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนรีบปฏิบัติมากนักฟังให้รู้เรื่องหน่อยแล้วค่อยลงมือท mm ํา hmm. เรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกรรมฐานเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนานะ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 อย่าการใช้ชีวิตของเราปกติก็จะไม่ได้เพี้ยนเพียนผิดปกตินะเป็นปกติธรรมดาที่สุดเลยนะอย่างตาสารีบุตรนะชอบกระโดดโลดเต้นเพล่อๆไม่ใช่ท่านเพล่อนะหมายถึงว่าเวลามีแฉ่ค้ามท้องร้องค้ามอะไรท่านก็โดดเานาะหรือมีพระอยู่องค์หนึ่งชอบเรียกคนอื่นว่าไอ้ถอยไอ้ถอยนะมันเป็นพระราหารท่านก็ยังเรียกไอ้ถอยอ ย, อยู่นั้นแหละนะ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 ถ้าพอบอกความไม่รู้ทุกข์นี่แหละเป็นต้นต่อของปัญหาความไม่รู้ทุกข์นี่แหละคืออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์นี่ตัวที่หนึ่งเลยงั้นในอริยสัจสี่แต่ก่อนโลภงพ่อเคยสงสนะัยล้วทำไมท่านเริ่มด้วยทุกข์ทำไมท่านไม่เริ่มด้วยสมุ ท, ท, มทัยเพราะเวลาเราปฏิบัติเราเห็นสมุทัยก่อนนะมีความอยากแล้วก็มีความทุกข์ทำไมท่านไม่เจาะจงสอนมาที่ความอยากนี้ทำไมไป็นเรื่องต้นที่ทุกข์เพราะเราเข้าใจธรรมะชั้นเดียว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 อริยสัจเนี่ยย่อๆลงมาถ้าป่าเกิดนะก็อย่างที่หลวงพ้อบอกนั้นแ่ะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์กยิ่งดิ้นเ่านะนมันย่อลงมาแล้วก็แค่นี้นะแต่ถ้าจะตัดสังสารวัตรแท้ขาดธรรมะฝ่ายวิวัตรรู้ทุกข์สมุทัยก็ถูกละนิโรธก็แจ้งงั้น่อยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้ น, น, ะนะชาตินี้ทําไม่เสร็จไปต่ อ, อาชาติหน้า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 ใครรู้จกักเผลอไหมมีใครรู้จักไหมถ้าเด็กร huh? you know? huh? ุ่นเล่นรุ่นใหม่จะไม่รู้จักคําว่าเผลอรู้จักมอเมอไรใครรู้จักเมอเมอไหมคาว่าใจลอยนะเด็กไม่รู้จักแล้วนะคําว่าใจลอยศูนย์ไปแล้วจัดประตารูมุ่งเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักแต่ว่าเมอเมออะไรเงี้ยมอเมอน่ยขาดสติแล้ะในขณะที่เราเมเออไปเราก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เราลืมกายลืมใจไปเอวันหนึ่งวันนึงเราเอาเวลาไปเมอเยอะ S 1> <S 1> นั่นคือเราขาดสติเยอะนั่นเองขาดสติงั้นทําอะไรเราเหมอไปเราใจลอยไปเราเผลอไปแล้วเรารู้ทันว่ามันเหมาไปแล้วมันใจลอยไปแล้วสติจะเกิดเองนะคือเมื่อไหรมันไม่เผลอมื่อนม้มันก็รู้สึกนั่นแหละเพราะงั้นหักสังเกตความเผลอไว้ความเามอความใจลอยผมก็เคยเห็นอาจารย์สุรวัตรเมื่อกี้ก็เห็นลแล้วต่ตอนนั่งอยู่เนิดสุรวัตรเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนะเรื่องอะไรนะรู้ตื่น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 ส่วนมากเรากลับมารายงานการปฏิบัติจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่อะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจมันรู้เองสติระลึกขึ้นเองสติที่เระลึกขึ้นได้เองนี่แหละสติเปิดจริงสติที่จงใจกําหนดนี่สติปลอมจงใจกําหนดแล้วจิตจะแข็งแข็งหนักหนักแน่นแน่นซึมๆึมทื่อเมื่อไรจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อจิตเป็นอคติผลแน่นอน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 ที่ผมปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือไม่ถูกถามแบบทีเด็ดเลยถูกไม่ถูกผมก็อบอกไม่ถูกหรอกเพราะยังทําอยู่เข้าใจแล้วก็้า่จแล้ ว, ลวหดคาถามนละ้วเข้า ใ, <c oughs> ใจัหยไม่เข้าใจคือเรายังทําอยู่ส่วนมากเรายังทําเราคิดว่าการปฏิบัติแปลว่าทําการปฏิบัติจริงๆแปลว่เาเข้าไปรู้เฉพาะเลยไม่ได้แปลว่าทา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 ว่าไงนะโยมทำไมนโยมไม่แจมแจ้งอาภูส่วนเรือวิธีจะแจมแจ้งอาภูส่วนแจแ จ, แจ้งอาภูส่วนนะต้องอยเห็นตัวจริงของมันคอยดูจากของจริงก็ได้ไม่ต้องถามอาตมารหรอกนะือจากของจริง อย่งความโลภความโกรธความหลงคุณขึ้นมายมไปดูกันนะอย่างเวลาความโกรธขุดขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าอโอกโกรธแล้วพอเราเห็นความโกรธเกิดหลายๆลทีเราจะเข้าใจนะความโกรธมีลักษณะเป็นอย่างนี้เองนะเกิดมาเพราะเหตุ น, นี้เกิดมาแล้วมีผลเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจกุศลทีละตัวทีละตัว น, นะ journal, เวลากุศลเกิดเราก็คอยดูไปเราก็จะเข้าใจกุศลทีละตัวทีละ asc. ตัวตามรู้ตามดูมากๆเข้าเราก็จะพบเลย กุศลเกิดแล้วก็ดับอากุศลเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าเบื้องต้นนะต้องมีศีลก่อนเราอย่าทําตามอากุศลสัพท์หัดมีศีลหัดทํากุศลทําทานศีลสมาธิปัญญาอะไรนี้ทำไปเรื่อยๆนจนวันหนึงปัญญามันแจ้งทั้งกุศลทั้งอากุศลรื่องใของไม่เที่ยงของทนอยู่ไม่ได้ใจจะปล่อยนะมันไปได้โลกุตัรักษุศลแทนกุศลเหมือนกันนะแต่เป็นโลกุตัรักกุศล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 คอดูจาก่องจริงก็แล้วกันเนาะให้บรรยายหน้พ่อก็บรรยายไม่เป็นหรอกต้องถามพรกปฏิยักสันเนาะหลวง่าจาระคืาจารก่อนามเป็นพอพ่อเป็นันในความคิดอาจารเคยเคยขอว่าเวลารู้รู้กาวรู้ใจบางครั้งเนี่ยที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเป็นโยโต เรื่งาคน่กรใ้าพันธกมิเนยั้นเราก็เองไปว่าเราปรเทกอีกประเทศไหมแล้วเราก็เลยก็เราู้อยากได้หว่อช้แยกตงีท่าน่ว่าหลวงอไ่รก็ต้องถามหลวงแม่ที่เขากรู้กันเองในหมู่้านประเทศปากีนแล้วรู้กับเพ่งนะเป็นสภาวธรรมที่ถ้าเรียนทีละคนสองคนนี่เรียนง่ายนะเราลองหักเพ่งดูโยมหลวงเ่งหัวไม่มือต้วยลองดูซิ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 เพราะงั้นมันขิดกันตั้งแต่จุดตั้งต้นยกให้ดูเอานะคือจำนวนพวกเราเยอะเกินกวาจะเรียนสภาวะอีลคนลนวะเวลาติดโจนี้นะครับว่าถ้าเรามองติ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยเรา่ก็ิดนิสัยยกสังเกต น, นิดนึงถ้าเรารู้ตัวถูก ต, ต้องจิตจะต้องเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนันจะมีลักษณะอันหนึ่งเขาเรียกว่าระหุตาเบา ถ้าเราไปดูอะไรอันหนึ่งแล้วจิตเราหนักหนักเงี้ยอคูสนแน่นอนอันนี้ผิดแน่นอ น, นจิตที่เป็นกูสนมีมุตุตานุ่มนวลถ้าเราไปดูอารมมันหนึ่งแล้วจิตไม่นุ่มนวลแต่แข็งแขงขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่รู้แล้วล่ ะ, ะเป็นอคูสนกันแล้วจิตที่เป็นกุศนเนี่ยมีกรรมัญญตาควรแก่การงานไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบ ง, งํา้ัขณะนั้นเรายังอยากรู้อยากเห็นอยากปฏิบัติอยู่นยังถูกกิเลสครอบ ง, งําอยู่ จิตที่เป็นกุศลมีปากุณตาคล่องแคล่ว่องไวถ้าจิตเราซึมซึมทื่อๆ น, น, นะเป็นอกุศลแน่นอนยงสังเกตที่สภาวะที่เป็นเครื่องที่สูจน์ว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลคือมันมีเครื่องสูได้นะอพ่อให้ว่าทำมาเรีเกครื่องในที่ที่ไมได้แต่เราเยนรต่ใงใช่ใช่ใช่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 ไม่ได้มีสาระอ่าไม่ได้มีอะไรเราต้องการให้เห็นว่ามันไม่มีสาระมันไม่มีแก่นแท้ถูกต้องนะเราต้องการเห็นอนัตตามันไม่มีแก่นแท้ถูกต้องเไม่ได้เรียนเพื่อจะเอานะเรียนแล้วเราวางได้ฉลาดเนาะรู้ว่าเรียนแล้วเห็นมันไม่มีแก่นการเรียนนาที่วเอ่ที่ว่า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 ปัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญญาอันเดียวกนะันปัญญาก็คือรูปป้ความชิมพ์ของกายของใจนี่แหละเพั้นเบื้องต้นใครสนัดอะไรก็ทำอันนั้นแต่ถ้ากรรมฐานเดิมที่ทำอยู่อึดอัดนะทำแล้วอึดอัดแสดงว่าไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับจิตนะลองหากรรมฐานอื่นดูอยกเรียนหลวง่อค่ะอากเรียนที่มีแบบหลวงพ่คือแล้วจะจะทำที่หลวงพ่สนว่าให้มีสติในทุกที่ทุารูตลอดเวลา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 อันนี้ไปอยู่ในธรร ม, มานุปัสสนาคนละ ม, มวดกันอันนี้ดูลาบากนิดหนึ่งวิญญาณก็คือจิตที่เกิดดับตทางตาทางหูนี่แหละวิญญาณไม่ใช่ผีนะบันวิญญาณหมายถึงความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจ ม, มูกลิ้ น, อ, น, น, นอย่างเงี้ยดูดูอย่างนี้สิอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหม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 เป็นธรรมานุปัศนาในการดูตัวสภาวะธรรมตรงๆแต่จิตตานุปัศนาง่ายกว่า น, นั้นหน่อยจิตมีราคะจิตมีโทสะจริงก็คือดูเจตสิกมากกว่าดูจิตดูง่ายกว่างั้นท่านถึงสอนบอกว่าจิตตานุปัศนาเนี่ยเป็นกรรมฐานของพวกอินทรีย์ไม่แก่กล้าธรรมานุปัศนาเป็นของพวกอินทรีย์แก่กล้าพวกปัญญากล้า กญญายานุปัสสนาเป็นของพวกไม่แก่กลา้าเวทนานุปัสสนาเหมาะกับผู้มีปัญญายแก่กลา้าก็ยากกว่ากันเป็นคู่คู่ยปฏิบัติโดยดูฟองนะคะฟองยุบแล้วก็เสริมปีติแต่พอตอนหลังเริู่สภาวะค่ะก็ดูแต่ว่าปีติยัไม่ค่อยดีต้องก็ปีติมันเกิดได้สองอานนะเกิดจากสมาธิอันหนึ่ง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 แต่ว่าจิตใจตอนนี้มันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วดีแล้วคือปัญหาว่ามีของเล่ามีปัญหาสุขภาพก็เลยอยากอยากทราบว่าอยากจับมือของอาก็ภาวนารู้สึกตัวไปนะวันใดจิตมันมีกําลังพอเนี่ยบางทีก็หายป่วยได้นะส่วนปีติคล้ายๆยาแก้ปวดนะห่อเลี้ยงไว้ช่วงขณะท้าจา ก็อาับเรื่องเรียนว่าการม่ได้แล้วาเราเาไม่ถูกต้องแล้วถ้าอให้เบาเปเาเากออเาผิดไปผิดนะคืองนี้ฟังนิดหนึ่งนะถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมทื่อๆแล้วก็ผิดแน่นอนเพราะว่าจิตที่หนักแน่นแข็งซึมซึ่งเกิดจากอกุศล แต่ถ้าเมาื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตเบาจิตมีความสุขเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลนะตอนนี้ไม่แน่นะไห้หนักหนักนะอกุศลได้แ น, แน่แต่เบาเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นกุศลไม่เท่ากันนะสองั้างเนเป็นออนะมมอกนะ อ, นะอันนั้นมันเป็นปีตินะเกิดจากสมาธิก็เกินเกินกว่าเรื่องที่เราใช้ทามิปัสนะ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 อเอาใช้มยไม่ดีนะใช้มยไม่ดีจิตใจที่เป็นกุศลจริงๆนี่จะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานไ ม, ไม่ซึ่มๆไม่เฉยๆนะในสมัยพุทธกาลมีคนเข้าไปวัดเชตวันแล้วก็ไปชมกับพระพุทธเจ้าอกหน้าอศจารย์คิกสูของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริงท่านไม่ได้บอกว่าคลิกสูทั้งหลายสงบสึ่มๆนะ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 คอเมื่อเราดอในผลนะครับของบริการแล้วสมาธิของเราจะลดได้ประมาณคือถ้าเรารู้ตัวเองเราเจ็บขาแล้วก็นิ่งไปเลยนีเน่ยปลอดภัยใไหนิ่งไปเลยเหรอครับคือตอนนี้เลยเนี่ยเรารู้มากกวเลเราคงจอยู่ันต่อง่ากอยแต่ถ้าเราเทำอะไรมาแล้วใก็จะรู้ว่าแสบแ้ก็าจจีปุ่วเพราภาพทีเาก็จะหายแล้วก็ห ออันนั้นไม่ใช่ว่าเราจเจริญนิพพานาอยู่เราเราไปเพ่งกายอยู่ถ้าเราเพ่งกายอยู่ก็เกิดอาการอย่างที่คุณบอกแต่ถ้าเราจะหัดรู้สภาวะนะเราก็ต้องสอเม า, เ อ, าอย่างตกค่าเราไหวพระสวดมนมต์ทำสมาธิทำสมาธิไม่ได้ทำเอาให้สงบแต่ทำสมาธิเพื่อหัดสังเกตสภาวะเช่นใจเราแอบไปคิดเราก็รู้ใจเราไปเพ่งเราก็รู้ใจเราเป็นยังไงคอยรู้เรื่อย แต่ไปสติจะเกิดในชีวิตประจำวันแต่ของกุลที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเราจงใจไปดูกายเราจงใจไปรู้กายจงใจเป็นการไปเพ่งกายไว้เพ่งไปแล้วเกิดจิตจิถึงจุดหนึ่งร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวเพรจิตอันเดียวมันอารมณ์มันละเอียดเกินไปสติตามไม่ทันก็หายไปใครคนไหนลล่ะครุ้สัตว์เรสม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 ทันทีที่สัมมาสติเกิดนะสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นใจมันจะอยู่กับเนื้อตั ว, ตวไม่ลอยไปละคิตใจพะมันอยู่กับเนื้อตั ว, ตวนะมันก็เอื้อให้เกิดปัญญาทำให้เห็นความจริงของกายของใจเนี่ยสติสมาธิปัญญาทางานด้วยกันสติอันะเดียวเนี่ยเกิดได้มีสติอย่างเดียวได้ไม่มีปัญญาได้แต่สมาธิต้องปร ะ, ะกอบกับจิตมู้หลงนะจิตอัคุสุก็มีสมาธิ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 ท่านอย่างนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเก็ดมีลูกศิษย์ไปถามว่าทำไมท่านต้องทำทัานหมดกิเลสแล้วท่านก็ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นของเสื่อมต้องซ้อมเอาไว้เป็นั้ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ขี้เกียจเวลาไปอยู่ ใ, ใกล้ๆนะรุ่งใจเลยหลวงพ่อไปไปอยู่ ใ, ใกล้ ก, ลกับหลวงปู่เทศท่านให้อยู่พุติศิษเก่าของท่านพุติศิษก่ากับปุตติใหม่มันห่างกันแค่หน้าต่างเท่านะั้นเอง